ก็มักจะแสดงออกมาแต่ในลักษณะรูปร่างที่น่ากลัวส่วนนางฟ้าหรือเทพบุตรซึ่งตามความหมายของคนไทยก็ควรจะเรียกว่าผีเหมือนกันเพราะเป็นโอปปาติกะเหมือนกันแต่คนส่วนมากม่เรียกว่าผีเมื่อพูดถึงผีจะต้องเห็นเป็นภาพที่น่ากลัวเสมอซึ่งความเป็นจริงพวกนางฟ้าหรือเทพบุตรทั้งหลายก็คือคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะแต่ไปอยู่ในสวรรค์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 วิญญาณกับจิตมีความหมายเหมือนกันเราพูดกันว่าฉันกลุ้มใจฉันไม่สบายใจฉันดีใจฉันชอบใจคำพูดเหล่านี้ทั้งหมดถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณเสียใจวิญญาณกลุ้มใจวิญญาณดีใจวิญญาณชอบใจจะพูดอย่างนี้ก็มีความหมายเหมือนกันเราคคาว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดี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 วิญญาณมีทั่วร่างกายวิญญาณมีอยู่ทั่วร่างกาย